แฟนผมโยนหนถามใครไม่รู้สักทีถามเจเจบอกไม่เจอคนขับแท็กซี่บอกไม่มาทางนี้แล้วแฟนผมไปทางไหนอ๋อเธอคงไปเมืองปลาตอนน้อีแฟนผมโยนหนทำไมใจดำเหลือที <S <S <S หรือเธอนั้นไปมีคูหรือเธอไปอยู่แถวบางคุนซี สุราธานีพี่ไม่แ่งดีว่าแ่งมาช้ำใจตัวพี่น้องไปยู่ทำไรไม่เห็นใจคนสุราธานีพี่พอคอยวังเว้อสมาทเสียเถิดน้องนางนารีแปนพมโยนหนทำไมน้องเจ้ามานีหรือเธอไปขายห่อหมก นมครกแถวรากเทวีน้องยาไปเดินขบวนคนเขาจะชวนน้องไปทางไม่ดีที่ไม่แรงดีว่า สุราคานียีย่เควคอยวังเวิร์สะปาเตียเถิดน้องนานารีแฟนพมโยในยทำไมน้องเจ้ามานี่หรือเธอไปขายห่อหบอกทายขนมครกแถวราเทวีน้องยาไปเดินขบวนคนเขาจะชวนน้องไปทางไม่ดีแฟนพมโยใน